บทที่สามสิบสามพระในบ้านวันที่ยี่สิบสามมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเป็นวันพระขึ้นสิบห้าข้าผู้คนพากันมาวัดป่ามะม่วงแต่เช้ามืดแม้วันคืนจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป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 กำลังรออยู่จากนั้นท่านก็เริ่มวินิจฉัยไขยปัญหาให้กับพวกเขาตั้งแต่เวลาหนาฬิกาถึง7นาฬกาสามสิบนาทีจึงขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์และฉันพัฒหารเช้าร่วมกับภิกษุอื่นๆบนศาลาพวกชาวบ้านผู้มีศรัทธาจะนำอาหารหวานคาวมาทำบุญที่วัดป่ามะม่วงทุกวันพระ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 สองปีแรกกำไรดีมากพอมาปีหนึ่งหก็กเริ่มขาดทุนแล้วกิจการก็แย่ลงเรื่อยๆจนเกือบจะล้มแล้วครับหลวงพ่อโปรโดช่วยผมด้วยแม่อัตมาไม่ได้สันทัดเรื่องธุรกิจเสด้วยซิไหนโยมช่วยอธิบายกระบวนการข้องมันให้อัตมาฟังหน่อยสิแล้วอัตมาจะช่วยตรวจสอบให้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 โยมก็ใช้ผ้าอีกชนิดหนึง่งที่ดูคล้ายๆกันแต่ว่าคุณภาพด้ยอยกว่าราคาถูกกว่าโยมทำอย่างเนี้เพราะความโลภอยากได้กำไรมากๆเขารู้ทันเขาก็เลยเลิกสัง่งอันนี้โยมจะไปโทษลูกค้าเขาก็ไม่ได้จริงไหมล่ะท่านพูดด้วยเสียงที่ตั้งใจจะให้ทุกคนณนะที่นั้นได้ยิน เพื่อจะได้สอนคนอื่นไปในตัวคนอื่นๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทางนั้นละครับหลวงพ่อบุรุษวัยเกินห0สิแอบอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างทำให้คนฟังที่ไม่รู้เท่าทันคิดว่าเขาไม่ผิดเพราะใครๆก็ทำอย่างที่เขาทำออหมายความว่าอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่ทำ ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นถูกต้องดีงามอย่างนั้นใช่ไหมคงไม่ใช่กระมังครับคนตอบชักไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้นโยมบอกอัตมามาตรงๆเลยดีกว่าว่าสิ่งที่โยมทำไปนั้นนะ่ะมันถูกหรือว่าผิดบอกมาเลยอัตมาไม่ชอบพูดอ้อมค้อมผิดครับแต่มันก็ทำให้รวยเร็วนะครับหลวงพ่อคนอื่นๆเขาก็ทำ แล้วก็รวยกันทั้งนั้นนักธุรกิจยังคงมีทิฏฐิไม่จริงละมังถ้าจริงโยมก็คงไม่มาหาอาตมาช่วยหรือโยมจะเถียงไม่เถียงแล้วครับหลวงพ่อกรุณาแนะนำผมด้วยเถอะครับว่าจะทำอย่างไรธุรกิจของผมถึงจะคืนสู่สภาพเดิมมันก็ไม่ยากหรอกโยมแต่มันก็ไม่ง่าย ถ่ยโยมไม่สามารถปฏิบัติตามที่อาตมาแนะนำผมจะปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำทุกอย่างเลยครับนักธุรกิจพูดอย่างมีความหวังขึ้นมาบ้างดีแล้วล่ะญาติโยมทั้งหลายจำไว้เป็นตัวอย่างชุนะท่านพูดกับทุกคนในที่นั้น บรรดาผู้ที่นั่งอยู่ในกุฏิขนาดนั้นผู้ที่จะมาถามปัญหาแบบเดียวกันอีกสองสามรายท่านก็จะได้ถือโอกาสตอบเสียในคราวเดียวกันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวเมื่อจะพูดต่อท่านทำความตกลงกับเจ้าของเรื่องว่าโยมอย่าหาว่าอาตมาเอายโมยมาประจานนะ ก็เมื่อกี้โยมว่าคใครๆเขาก่อทำกันก็แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายใช่ไหมครับผมไม่คิดว่าหลวงพ่อประจานถ้าหลวงพ่อทำให้ผมขายดีเหมือนเก่าได้นักธุรกิจยอมรับหากมีเงื่อนไขถ้าอย่างนั้นก่อจงฟังให้ดีการกระทาของโยมถือว่าเป็นการทุจริตหลอกลวงลูกค้า การหากินทางทุจริตนั้นมันทําให้รวยก็จริงแต่รวยได้ไม่นานก็ต้องเจงคําสุดท้ายท่านใช้ศัพท์ภาษาจีนเพื่อความทันสมัยแล้วผมจะแก้ไขอย่างไรครับประการแรกโยมก็ต้องเลิกหลอกลวงเข้าด้วยการยัดใส่สินค้าใช่ไหมที่โยมทําอยู่นะ่ะเขาเรียกว่ายัดใส่สินค้าใช่ไหม อันนี้อาตมาเคยได้ ย, ยินแต่เขาพูดถูกแล้วครับหลวงพ่อสมัยนี้ใครๆเขาก็ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นไม่งั้นมันจะไม่รวยครับนักธุรกิจสนองนั่นไงเอาอีกแล้วไงอาตมาสอนอยู่แบบๆโยมก็มาเป็นแบบเดียวกันอีกแล้วท่านว่าตรงๆก็มันเรื่องจริงนหมครับหลวงพ่อ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 ไม่ใช่ตัวอย่างตัดเย็บด้วยฝีมือประณีตแต่พอส่งไปให้เขาก็เป็นฝีมืออี ก, กระดับหนึ่งท่านพูดดักคอแม้หลวงพ่อนี่ละเอียดจริงๆผมศรัทธาเต็มที่เลยครับเนี่ยเขาชมเป็นครั้งแรกและด้วยความจริงใจหากท่านไม่พูดเ่ น, นี้ออกมาเสียก่อนเขาก็คิดอยู่แล้วว่าจะหลอกลวงโดยวิธีนี้ คือใช้วัสดุคุณภาพและราคาแบบเดียวกับตัวอย่างแต่จะลดความปราณีตลงเป็นการประหยัดต้นทุนด้านค่าแรงเมื่อท่านพระครูเตือนล่วงหน้าไว้เช่นนี้เขาก็จำเป็นต้องเชื่อท่านตกลงผมจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำครับแล้วนานเท่าไหร่ผมจึงจะฟื้นล่ะครับยงังยังไม่หมดแค่นี้ที่พูดมาเพิ่งได้ประการเดียว ยังมีอีกประการอื่นๆอีกนั่นก็คือโยมจะต้องสวดมนต์ทุกวันสวดเป็นไหมไม่เป็นเลยครับเอาละไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะแจกบทสวดมนต์มีคนเข้าพิมพ์มาถวายสำหรับแจกท่านหยิบแผ่นปลิวขนาด 1x คูณ 1.25 ขึ้นมาแจกในนั้นมีบทสวดมนต์พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกในการอ่านท่านส่งให้นักธุรกิจแต่ปรากฏว่ามีบุรุษอีกสองคนที่นั่งน้าที่นั้นขออีกคนรับแผ่นคนหนึ่งมีธุรกิจทำกระเป๋าถือส่งต่างประเทศอีกคนทำรองเท้าหนังและสองคนนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันกันกบคนแรกคือการหลอกลวงลูกค้าคือใช้วิธียัดไส้สินค้า คนทั้งสามรับแผ่นปลิวมาอ่านและพูดขึ้นเกือบจะพร้อมกันว่าอ่านยากจังครับยากที่ไหนกันเขาอุตส่าห์พิมพ์ตัวโตๆยังหาว่าอ่านยากอีกผมหมายถึงข้อความนะครับเจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือว่าอีกสองคนก็คิดอย่างเดียวกันนั่นพระโยมไม่เคยสวดมนต์นาสิ นี่อาตมาอุสาหเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยนะถ้าเขียนแบบภาษาบาลีโยมจะยิ่งแย่กว่านี้แต่ก็เอาเธอค่อยๆอ่อานไปก่อนแล้วจะจำได้เมื่อจำได้ก็จะสวดเป็นถ้าไม่อยากล้มละลายก็ทำตามนี้เข้าใจไหมล่ะอ่านหมดนี้เลยเหรอครับถูกแล้วอ่านหมดนี่หนึ่งเที่ยว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 พุทธคุณก็ตั้งแต่อิติปิโสไปจนถึงพักวาตินั่นแหละโยมอายุเท่าไรแล้วล่ะสี่ดครับเจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือตอบสี่ก็สวด49จบแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ ห, หลงล่ะครับผมกลัวจำไม่ได้ว่าสวดกิจจบแล้วอานิยมหาวิธีเอาเองอาตมาเชื่อว่า คนที่เป็นนักธุรกิจยอมหาวิธีจนได้นั่นแหละใช้วิธีนับการไม่ขีดสิเจ้าของธุรกิจรองเท้าหนังแนะนำงั้นผมอายุห6สหก็ต้องสวดห7บจดจบใช่ไหมครับหลวงพ่อนักธุรกิจคนแรกถามอย่างรู้สึกท้อแท้ก็ต้องอย่างนั้นท่านเจ้าของกุฏิตอบและผมมีเวลาหรือครับวันวันผมก็ไม่เคยว่างเลย ท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงบอกเขาว่าเลือกเอาก่อแล้วกันถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าทำได้ก็จะเห็นผลภายในสามเดือนเป็นอย่างช้าให้ภรรยาสวดด้วยได้ไหมครับได้ยิ่งช่วยกันสวยดยิ่งเห็นผลเร็วถ้าให้สวดแทนผมล่ะครับเ้าต่อรองสวดแทนไม่ได้สิช่วยกันสวด นี่อาตมาหมายความว่าต่างคนต่างสวดเท่าอายุของตัวเองบวกหนึ่งภรรยาโยมอายุเท่าไรละ่ะส6ิครับก็ให้เขาสวดส7จิบเจจบข้าใจไหมละ่ะเข้าใจครับผมขอบพระคุณมากครับรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนักธุรกิจผู้นั้นจึงกราบลาปรากฏว่ามีผู้ตามเข้าออกมาอีกสองคนท่านพระครูประสบความสำเร็จ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 ท่านพระครูตอบไปตามที่เห็นหนอรายงานว่าโยไม่ปฏิบัติพระในบ้านนะสิในบ้านผมไม่มีพระหรอกครับหลวงพ่อสามีเงยหน้าขึ้นตอบถ้ า, า จ, จะมีก็คงเป็นพระพุทธ ร, รูปใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกโยอาตมาหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของโยนะ่ะพระโยไม่ปฏิบัติท่าน โยมทั้งได้ทำมาหากินหม่ึ้นฉันก็เลี้ยงดูแกนี้คะเพื่อนบ้านฉันสิอีกที่เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านบางแคหลอนหมายถึงหน่วยงานหนึ่งของกรมประชาสงเคราะห์เอาอีกแล้วอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างอีกแล้วอาตมาเพิ่งว่าโยมผู้ชายคนนั้นไปหยกหยกท่านหมายถึงนักตุรกิจที่เพิ่งลากลับไปขอทีถนโยมนาะ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 ไม่ทราบค่ะนั่นไงเห็นไหมตัวของตัวเองก็ยังไม่รู้แล้วยังเที่ยวไปรู้เรื่องของคนอื่นถึงยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับอาตมาเพราะคนอื่นๆเขาก็เป็นแบบโยมนี่แหละสตรีวัยส0มสมีสีหน้าดีขึ้นเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ได้บกพร่องเพียงผู้เดียวอย่างน้อยๆก็ยังมีเพื่อน หลวงพ่อช่วยชี้ข้อบกพร่องของดิฉันด้วยเถิดค่ะแล้วฉันจะได้หาทางแก้ไขเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีโยมไม่ปฏิบัติพ่อแม่หมายความว่าโยมให้ท่านอยู่ที่โรงงานอยู่ห้องอับอับมืดมืดให้กินข้าวรวมกับคนงานในขณะที่โยมอยู่บ้านหลังใหญ่กับสามีแล้วก็ลูกๆมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงค่ะหล่อนพูดเสียงเครือและมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองอย่างชัดแจ้งดีแล้วที่โยมยอมรับผิดที่นี้อาตมาจะบอกวิธีแก้ไขโยมต้องรับท่านเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกับโยม กลับไปเนี่ยไปจัดการเสียโยมกินดีอยู่ดีอย่างไรก็ต้องให้พ่อแม่กินดีอยู่ดีอย่างนั้นด้วยเอาละ่ะโยมกลับไปหาดอกไม้ถูกทเทียนแล้วก็ไปกราบขอขมาท่านเอาน้ำล้างเท้าให้ท่านแล้วก็ให้ท่านอาโหสิกรรมให้แล้วกิจการของโยมก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับทำได้ไหมละ่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้น หนูกับสามีข อ, อกราบลาคราวนี้หล่อนเปลี่ยนจากดิฉันมาเป็นหนูเจ้าทุกข์ไกรที่สามกำลังจะเอื้อนเอ่ยทุระนายสมชายก็ครานเข้ามาขัดจังหวะว่าหลวงพ่อครับนิมนต์ขึ้นศาลาครับเลยเวลามาหลายนาทีแล้วอ้าวได้เวลาแล้วหรือได้มาหลายนาทีแล้วครับนายสมชายยำ้ำ ท่านจึงพูดกับผู้ที่นั่งณนะที่นั้นว่าประเดี๋ยวนะขอเวลานอกก่อนอย่าโยมไปทานอาหารกันก่อนที่โรงครัวเขาคงเตรียมเสร็จแล้วเชิญทุกคนเลยนะใครมาวัดป่ามะม่วงแล้วไม่ได้ทานอาหารก็ถือว่าไม่ได้มาพูดแล้วท่านก็ลุกจากอาสนะเพื่อเดินไปยังสาราสาวรุ่นรุ่นคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหา หลอนคุกข่าวลงตรงหน้าท่านประนมมือพร้อมกับพูดว่าหลวงพ่อคะขอเวลาหนูหนึ่งนาทีค่ะหนูมีธุระด่วนมากหลอนพูดอย่างรีบร้อนและไม่อาจรอคิวได้พูดไปเลยหนูท่านอนุญาตพี่สาวหนูถูกรถชนอาการสาหัสค่ะตอนนี้อยู่ห้องไอซูหนูมาขอบารมีหลวงพอ่อ ขอให้เขารอดชีวิตด้วยค่ะท่านพระครูรู้ว่าบรรดาคนที่มาในวันนี้ก็ยังมีอีกสามรายที่มีจุดประสงค์เดียวกับเด็กสาวจึงบอกพวกเขาว่าเอาละ่ะคนที่มีธุระเรื่องเป็นเรื่องตายให้จดชื่อแล้วก็นามสกุลใส่พานวางไว้ที่อาสนะของอาตมาชื่อคนที่กำลังจะตายนะ่ะไม่ใช่ชื่อของคนมาหา ท่านจำเป็นต้องบอกให้แจมแจ้งพระมนุษย์แต่ละคนระดับสติปัญญาไม่เท่ากันและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็เคยปรากฏมาแล้วบ่อยครั้งพูดจบท่านก็เดินไปยังศาลาบรรดาเจ้าทุกทั้งหลายก็พากันเดินไปยังโรงครัวเพื่อรับประทานอาหาร หชั่วโมงผ่านไปเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับมายังกุฏิท่านขอตัวเข้าไปล้างมือและบ้วนปากในห้องน้ําใต้บันไดแล้วจึงออกมานั่งที่อาสนะในพานมีกระดาษสีแผ่นวางอยู่ท่านหยิบขึ้นมาอ่านทุกแผ่นแล้วพูดขึ้นว่าดูเอาเถอะใครจะเป็นจะตายก็ต้องไม่ให้อาตมาช่วยยังกะอาตมาเป็นผู้วิเศษนะโยมนะ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 โยมไม่น่าทารุนแรงกับลูกนีนาด่าว่าเขาแล้วยังไม่พอยังไปเตะไปต่อยเขาอีกลูกเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวโยมไปเตะเขาเขาก็หนีไปนะสิแล้วภรรยายโยมก็ด่าลูกแทบทุกวันใครเขาจะอยู่ด้วยละ่ะวิศวกรผู้นั้นนั่งกลมหน้านึกถึงความผิดพลาดที่ทำไว้กับลูกและผมจะทำยังไงครับหลวงพ่อ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 แลอย่าไปดุไปว่าเขาอีกนะให้พูดกับเขาดีๆทำได้ไหมได้ครับบุรุษวัยห้าสิรับคำหนักแน่นแล้วจึงถือโอกาสกราบลาท่านพระครูช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าทุกข์อีกหลายรายกระทั่งถึงเวลา11นาฬิกาจึงบอกให้พวกเขาไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวส่วนท่านก็ถือใบรายการชื่อคนที่กำลังจะตายเสียราย ขึ้นไปข้างบนเพื่อจัดการส่งพลังไปช่วยเหลือยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าพวกเขาจะรับประทานอาหารเสร็จและหนึ่งชั่วโมงนี้ก็เป็นคนสี่คนที่ญาติระบุว่ากำลังจะตายชั่วโมงต่อๆไปก็เป็นของเจ้าทุกข์ไกลอื่นๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเสร็จตอนกี่ทุ่มกี่ยามจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยแท้